อแอ่เมื่อเลี้ยงลูกนะบตั้งแต่คนละตีจนถึงคนสุดท้องเด็กที่ท ร, ทรับการเลี้ยงดูมีตลอดเวลายอมมีวันเติบโตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมีอาหารการบริโภคก็เลี้ยงดูเป็นปกติทุกวันทุกวัน ว่ะการสั่งสอนก่อนเมื่อเด็กพอรู้เรียงสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้ต้อที่ควรจกกำลังของกลแผ่นหนกก่อพ ย, ยายามสอดแท้ความรู้วิชาทางติด บ, บ้านการเรียนเป็นลำดับกำดับเด็กควรับการเี้ยงดูงจากพ่อแม่ ส่วนร่างกายและส่วนความรู้ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนหอดปีก็นับบันมองใจใสเรื่อยคนสําดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนหดท้องย่อมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งกายอาหารการได้รับสารแง้ความรู้วิชา จิตสอนกันเป็นลำดับลำดับเด็กก่อนนับวันเติบโตตามกันไปเวยจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็ว <c oughs> างกวางใจได้มีเป็นคติของโลกถือเป็นมาตล อ, อดการเป็นเช่นนี้ ทางด้านธรรมะในเด็กระหว่างครู อ, อาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันด่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเลยคผูมาอยู่ก่อนก็เช่นเดียวกับลูกคนหัวปีคือลูกศิษย์คนหัวปีรูมาตามหลังกันไปเรื่อยก็เป็นลูก จิคนกลางคนผุดทองเป็นลำดับลำดับไปการแนะนำข้ามสอนครู อ, อาจารย์นั้นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนอยากส่วนกลางส่วนนะเอียดและทางพรวินัยแนะนำข้ามสอนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลดละเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็ก และสั่งสอนเด็กไปเรื่อยๆเป็นเด็กมีความรู้ความฉลาดถ้าเทียบกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กเด็กนับวันเติดโตขึ้นเป็นลาดับกับครูอาจารย์เลื่ยงดู บ, บาารร ด, บดาลูกศิษย์นับจากผู้มาอยู่บนตน้จนถึงผู้มาอยู่วระสิ้ท้ายยอมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกัน แล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกๆท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเอยอะๆจนเึ็นท่านผู้มาสิด้ายก่อโปรต์ด้วยความสนใจพยายามให้อาารศึกษาอบรมด้วยความสนใจให้ความรู้วิชาเรามีความเจริญก้าวหน้าภายาในจิตใจ พ้อวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นประจำวันหรือประจำเพศของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้มีความคล่องแคล่วขึ้นไปเป็นลำดับมีกะเทียบได้ว่ามีความเติบโตขึ้นไปด้วยเหตุอย่าให้เป็นทํานองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโต คือไม่มีวันเติดโตได้เป็นเด็กดีเชนั้นนี่พิชิติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจถนบธรรมเนียมของหลักธรรมในในวัดนั่นนันท่านพาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมนินเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ที่เป็นผู้นานั้น ย่อมมีการเหลือมน้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นเนี่ยธรรมะที่ท่านจะนำมาสั่งสอนพวกเราจรึงมีความต่างกันจะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตั้งแต่หลักพระวินยัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งยอดกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลย <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียกด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพานำเนินอย่างไรเราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงา น, นใดที่จะพึงจัดพึงทำในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิทในหน้าที่การงานที่ในขอบเขแของบ้านของเรา หรือส่วนสิ่นที่เราเกี่ยวข้องแี้จะอยู่นอกบ้านก็าตามนี่ผู้มาศึกษาพเพื่อประพฤติปฏิบัติทาให้มีความสะดวกคล่องแคล่วให้มีความเจริญเจ้าหน้าทั้งด้านความประพฤติและความรู้ความฉลาดภายในใจก็ควรจะถือหลักที่ว่านี้เป็นประจําใจเราไม่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของใครไม่ถือว่าพระเป็นพระของผู้ใด ข้อวัดปฏิบัติที่เราจะทําตามหน้าที่ของพระสมกับเรามาศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมมิัยของเราทั้งนั้นคือ่อพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมมิในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกๆด้านที่เราจะควรทําให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลำดับเพรความทํานาน เรื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความส้นใจของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้จิงเงยา่านี้มีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความคล่องแคล่วไปเป็นลำดับสมกับว่าเราเป็นพระในวัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าเราเป็นพระของครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระของใครของใครและเราเป็นพระของเรา เราต้องทําความหนักแน่นต่อควาวัดปฏิบัติซึ่งเป็นสมบัติของตนจะพึงได้ถึงถึงด้วยการจัดทาดีทาชอบของตนและด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามพูดษาอยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทําความเข้มแข็ ง, ขงหรือทําความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความทํทนานิชานาญในทางหลักธรรมนีน้ัยเป็นชัน้นๆขึ้นไป มีคื่อวัดถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษาเบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจขั้นต่อมาก็คินรูคินอาจารย์คินต่อคินต่อสาานที่คินต่อมูอตัวเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักที่ในคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกับกาย กายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเจ็บครานปรากฏเป็นคนเห็นแก่ฝากแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับเสี่นอนปรากฏเป็นคนที่เหยื่ปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากายลงไปเป็นเช่นนี้คือว่าไม่ใช่หลักของการนาเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะ ข่านต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะท่านสูงสุดคือวิมุตตานิพานไม่ได้สอนให้คนมีความที่เกียดผ่อนแอมีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียร ม, มีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทําไม่ต้องสร้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี้เบาแต่ถือเป็นจิตจําเป็นที่ตนจะพึงทําเพื่อความสําเร็จแต่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นนี <c oughs> ่หลักของการดําเนินเป็นเช่นนี้ เพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยน่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีย์ของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองชี การคิดค่าการขายการทํามาหากินทีกทุกๆประเภทเมื่อถูกกับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆทุกแผานาไม่ได้สอนให้พ้นที่เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงานแม้ผู้เข้ามาบวชในกระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริง ตอนหน้าที่การงานของตนซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความท้อถอยแหนแใจเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกเขาจึงไม่กราบพระคือลูกศิษย์พระราชาโคดเอาเป็นแบบพระบับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเกียดติานจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนหนอดแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้ เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีที่เกียจจะเป็นสอ น, สอนคนอื่นให้ปฏิบัติดีกะมีความเข้มแข็งขยันมั่นเพียรก็สอนไม่ได้นึ่ท่อนหลักศาสนาที่สำคัญก็คือส่วนที่พระนำมาประพฤติปฏิบัติถึงเป็นหลักพันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความนุ่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหวง ด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องเข้ามาศึกษาปธารลกับพระในบางสิ่งที่ควรชดสาธารลบได้พระจะให้ความนุ่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก้เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสําหรับผู้ทรงศาสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้หนัดใจในสิ่งเหล่านี้สําหรับ ทำโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยค้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของผมนี่เป็นหนักสำคัญ <c oughs> เราก็เป็นคนออดแอรหาแบบฉบับตามหลักธรร ม, มในในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะสอนได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหนักสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดตรวจสอองดูความประพฤต ของเราน้ำใจของเรามีความเอ็เียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรมหนักไปทางความขี้เกียจหรือหนักไปทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมักมากาหรือหนักไปทางความมักน้อยหรือหนักหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัดจีมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องหลายลงสู่ทางต่ำเสมอ ถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความจเจริญจิตจะไม่ชอบท้าเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลังกลับมาเดินในทางที่จะเป็นแต่ทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนีเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝืนหรือเป็นเครื่องถุดลากจิตใจที่ตำตามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำนับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นต่ว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกันกับโรคเสมอไปถ้าว่ายาเป็นไปตามแนวของโรคแล้วโรคก็จะมีการกาเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องต่างแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องบรรเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้ หายจากไข้จากป่วยนี่เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนกิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้าการสอยการไปการมาการสะพฤ้นทุกด้านแล้ว ไม่มีอันไหนจะเป็นเครื่องหมายของสมนะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหวและตัวของเราได้รับความเด่นล่มย็นใจนตอนต้นได้กล่าวถึ ง, เ, งเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิดที่เลี้ยงดูด้วยอัดด้วยทำตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้น คือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลาดับมีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วจะเป็นเส้นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คนย่อมถือเป็นลูกของของตนโดยสนิทและจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ ควรจะเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่มาอุตสาหอบรมก็เหมือนกันส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามสอบถามดูท่านที่มาอยู่ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ตั้งใจมาศึกษาจริงๆนี่คือว่าจะเป็นผู้เจริญเติบโตขึ้นด้วยพอมวัดปฏิบัตินี่จะใช้อะไรจะบอกอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าผู้เป็นอาจารย์ว่าคนนั้นจะสมควรทานั้นได้หรือไม่ คนนี้จะสมควรทําหน้าที่นี้นั้นนี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนํามาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศาสนาที่แล้วที่เราเลือกแล้วเลือกเรากว่าจะได้เขาพิดเรลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทําอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วการปฏิบัติศาสนา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธาตุชันวันลนะความรู้ความฉลาดที่มีมาดั่งเดิมแต่ขึ้นอยู่กับหลักพระธรรมวินัยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราที่เป็นหน้าที่ของของพระที่จะปฏิบัติเราต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมะวินัยนั้นๆจนมีความเฉลยฉลาดสอบสอบต่อหน้าที่การงานของตนจับอันายได้หมด ไม่ต้องวิตกวิการไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องข ย, ยงักขยแงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจาเป็นของเราให้ถือเป็นความจำเป็นป น, นี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระองใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใดเมื่อเข้าสูร่รมเงาแห่งพระกาสาวัตัด ที่เรียกว่าเป็นลูกผิดของพระธากพุทธเจ้แล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมนินัยอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความนิมสตกล้าเป็นผู้ทํำด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกทิ้งทุกอันเพราะการ ง, งานที่เราทํานั้นเราไม่ทําเพื่อใครแต่ทําเพื่อความดีงามสําหรับเราพยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความระแคะระคายระคาญอยู่อําันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่ง แต่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกผลจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตนต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่ารอดตายจึงไม่เป็นาศาสดาพวเกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการกบการขันก็เป็นมาจากศรัทาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกผลตัวเองฝึกผลแต่อาหารการขันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามตเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้น เราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไรยิ่งจะทําใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้ า, าแม้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนหน้าอย่างไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลาดับลำดับการจะสอนธรรมะแต่และครั้งแต่คราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่า เพราธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นเล่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นเล่นแต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงจรแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นเล่นได้ยังไงต้องสอนจริงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าตลอดสายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไรท่านจะสอนก็ต้องสอนจริงๆไม่ได้สอนเพื่อเล่นเพราะไม่ทําทำเพื่อเล่น การสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาศึกษาเพื่อเล่นๆลูกๆทำคำใช่ไม่ได้การฝึกกัสฝึกตัวของเราเป็นของสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันไดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเราผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราเพะนั้นเราจรง ควรจะน้อนจิตใจของเราที่มีทั้งเสือือทั้งกัพธีทั้งรากแก้วรากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าไปสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นจะได้ทมณซันะกซอคือสุดผลอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความเาริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้า เราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นเล่นเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายสายแดงไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกราวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่น มีแต่ปฏิธมมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงจริงผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นเล่นใช่ไหมได้ไม่เข้ากับหลักธรรมะเราจะหาสาระแกนสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจสี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรหากว่าสาเหตุ เป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพรุทธเจ้าจิตจึงมีการจำเริบมเชนนี้แล้วก็เชื่อว่าธรรมะของพระพรุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแพร่สารและไม่เป็นสวัสดิธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตใจของเราที่รับความรุ่นเน้อรุ่มนอนหรือขุ่ ม, มัวยุ่งเหยิงภายในใจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพรุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของเราชอบเช่นนั้น ชอบเอาตามอำเภอใจนั่งก็นั่งอภตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจการขบการผันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็อยากจะให้ดังอย่างใจแต่หาได้คำหนึ่งถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทําให้ได้อย่างใจนั่นจะต้องทําอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้ทำหนึ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริ่นก้าวหน้า พาการปรับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่ำและอ่อนแอในการประพฤติทำของตนการปรับปรุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆวิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้แต่หนับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะทำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใ จ, ใจ ทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปทางที่จิตอิูที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนะหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสั่งสมสิรดสัญหามาพรอคุณหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องซักครอบจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทิรากฏชื่อดินนามได้มาตั้งสอนทั่วเก่าจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอด มันยั่งช้ำคุณยั่งรุ่งจะคิดเรื่องลราเรื่องน้อยปีปัสาวะก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงว่าลอยตามอําเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นทีนี้ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีนี่ตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมาขอบนอยู่เสมอว่าใจของเรานี้มันอ่อนแอ แใจของเราไม่มีความสุขความสบายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่งเหตุที่ควรจะทําให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้ขอให้พากันพิจารณานะผู้ปฏิบัติฟังเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโยนในมารยาแต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่ทัน ง, งานไม่อ่อนแอ มุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสังเกตสอดรู้วิถีทางเดินของใจความคิดของใจมันคิดไปเรื่องอะไรเราตั้งใจจะมารู้เรื่องของใจเราต้องสังเกตดูความคิดของใจด้วยข้อปฏิบัติคือความเพียรของหลักไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นทางเดินของใจวันยัง่งยำมันจะต้องคิดอยู่เช่นนั้นไม่มีเวลาดึกยั่งเลย ถ้าเราเป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่างไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยกไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทำงานของจิตตลอดเวลานี่ นีหลาท่านเรียกว่าจิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านก็เรียกว่าวัดสามวนวนมหาที่จอดที่ยับยั้งไม่ได้วกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วผลทุกมาคุ่มลุมเราให้เด็ดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจตกนไปไม่ได้สังเกตตัวเองเรามีราคาเท่าไรที่จะมาบวชในศ า, าสนา ใจมีราคาเท่าไรถ้าเราสุขผลอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนไหนจะมีคุณค่าเท่าจิตของบุคคลผู้สุขผลอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกพายในจิตใจโดยไม่ต้องปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่ายิปานังปรมังสุขขัง ไม่มีความสุขอืนใดในโลกทั้งสามคือกายวิโลกูปโรคอรมุป ร, ก, ปรกจะเสมอเหมือนกับความบื่อสุดของใจอย่างเต็มที่นิทันเรียดแบบพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเกลียดคร้านอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแ ก, ก่กะแก่หลับแก่นอนแต่ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักศึกซึ่ง เทียบกันกับนักรบในสงครามส ง, สงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความมุ่นหมายปรากฏขึ้นความมุ่นหมายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุทัยคือเหตุให้ทุกตุก แดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอําเภอตัวเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์จะไม่มีที่แก้ทุกตลอดมันาปถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์นั่นแนจะเป็นสถานที่แก้ทุกได้ด้วยเนื่องจากรู้เรื่องของจมู ท, ทยัยเขาจะไม่สามารถสังสม กำลังขึ้นทำมากบุญอะไรได้มหม <_ matter> เนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือภาคฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่ทำหนึ่งถึงกลางวันกลางคืนเดืนเดินนแน่นอนเห็นเขียแตกหลับเท่านั้นพ <_ ull _> อเราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วอย่านี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมือง ท, ทุกทุกท่านให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบว่า เครพบูชาอาหารการกบการฉันมียังไงนํามาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจทหารการไม่กบแต่และอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้ย่อนเร่งเส้นขนฝญขวายหาอยู่หาทินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ยเป็นของที่ยากลาบากที่สุดเขาทําไมจึงมีความเต็มอกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปเป็นขบาททุกวันนี้รู้สึกจะเป็นบาป ท, ทุกวันทุกวัน อย่างน้อยก็เกือบจะเต็มมาทสินแล้วบินถบาทมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสังสมไม่ได้ฉันแปรตั้งห้าวันก็ไม่หมดนี่มันทําไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เราไมไ่ซื้อได้หาคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นักบวชที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปหาขอทานทั้งวั น, วนก็พอปากพอทองาให้เราคิดดูอย่างนี้นี่เรียกว่าเพศของเราเป็นเพศที่สะดวก ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องแปซื้อไปหาที่ไหนเขามาสร้างให้อยู่ได้ความสะดวกสบายด้วยศรัทธาทรัพย์สินเงินทองมีทลายทุ่มเทมาจนให้สําเร็จประโยชน์ตามความต้องการที่วัดจะต้องการแค่ไหนเท่าไหร่นัน่ของที่เขานํามานั้นไม่ใช่ของที่เขาเศษคาถาเอาพูดแล้วเป็นเงินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเป็นเท่าเป็นของขึ้นม า, เ ป, นนมาเป็นอาหารการบริโภคเป็น กระดานดาดฟ้าขึ้นมาเป็นสังกสีขึ้นมาเป็นปูนขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหามาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาทําที่พักที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะสําเร็จเป็นสวงจีวรให้ครองนี้เป็นของที่หามาโดยยากแทบล้มแทบตายกว่าจะนํามาให้เราได้ครบันแต่ละวันละวันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ตานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหน มีความยินดีทั้งนั้นถ้ามาผิดจากหลักธรรมนิดหน่ยของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานทีชีพเพื่อเราเสมอแต่เราพู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทําไมจะทําใจอ่อนแอแอ่พิจารณาดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้การไปกันมาก็สะดวกเขากราบเข้าว่ายไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนมีแต่ผู้นําของทานมาถาวายให้กบให้สันให้อยู่ให้พัก ไห้ใช้สอยด้วยความสะดวกสะดวกจนลืมตัวถ้าสะดวกจนลืมตัวแล้วผิดเพศของพระเพราะเพศของพระไม่ใช่เพศที่ลืมตัวแต่เป็นเพศที่รู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างของจะมีมากอาหารจะมีมากก็ไม่ดีใจจะมีน้อยก็ไม่เสียใจอาหารจะดีหรือไม่ดีเพ่งถึงเจตนาของผู้ให้ทานเขาให้ทานอย่างสุดอกสุดใจสุดใจที่เขาดีเต็มที่แล้ว นั่นล่แห้ะเรารับทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้พานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์มีถืออันนี้เป็นสําคัญเราอย่าถือด้วยอํานาจที่เดชตัญหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดีฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกวนตวายนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของ นักจางสมความโลภความโกรธความหลงนักจางสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในใจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายดูง่ายไปง่ายกิน ง, ง่ายนอนง่ายไม่ต้องทำความกังวลไม่ต้องทำ ค, ความรบกวนใครๆทางนั้นเขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยจำมิ ขนทานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดแม่ที่สุดนางปุณณธาสีขีเข้าแป้งอะไรว่าเข้าแป้งขี่แล้วเน็บพกมาเนี่ยจะนําไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ําเห็นพระพุทธเจ้ า, าแล้วเกิดความเชื่อความร่วมสายอยากจะให้ทานคิดท้าอะไรก็ไม่ได้มีแต่เข้าแป้งขี่นี้จะไปทํำยังไงก็ลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าทํ า, าทเรืองดูพระอานนท์ให้พระอานนท์นําบาตรมา ถาวายทันทีแล้วเล่าแล้วเข้ารับเข้าหนมแป้งสีของนางคุณาสาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางคุณาสาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุเทธเจ้าท่านรับของเรานี่ท่านก็รับพอไม่ให้เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกระุงทีนบ้านนางวิสาขาบมันอนาถปนิกาเศรษฐีบ้า น, น, าา น, าานไหนไหนก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เรา ถว า, ายไปนี่เป็นของที่เลวเป็นของที่ต่ําช้าสมกับฐานะของเราพอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งๆที่พระองค์ก็ตรงตรงข้อไทยอยู่แล้วว่าจะสงเคราะนาำคุณาสีเพราะเห็นแก่น้ําใจของเขาเป็นน้ําใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรมากก็ตามแต่น้ําใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ําใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ ทรงประทับลงในที่นั่นและฉันของนางเอขนมของนางคุณธาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวย อ, อะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าขิ้นวาละในวันหนึ่งไปด้วยการเสวยขนมแป้งจีของนางคุณาทาสีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันแต่ฉันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมือหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่หลักทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ ขอให้เราทุกๆท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติตรงทาตัวของเราทําใจของเราให้เป็นเช่นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินเช่นนี้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่มีครกจิตใจจะเป็นใจที่มีครูใจไม่เลยเถิดไม่เลยแดนไม่เลยหลักธรรมวินัยจะเป็นใจที่ดีเป็นใจของพระเป็นเพศของพระนั่งก็จะสบายเหมือนพระนอนจะสบายเหมือนพระ เดินสบายเหมือนพระฉันจะสบายเหมือนพระคิดอันเรื่องอะไรๆไเป็นเรื่องของพระไม่มีโลกเข้ามาเพื่อแฝงจะเป็นผู้ที่เย็นพระแปลว่าประเสริฐการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระล้วนแน้วตั้งแต่เป็นของประเสริฐเพราะใจของพระเป็นใจที่ประเสริฐความประพฤติของพระเป็นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐหนักที่ไหนอันประเสริฐนั่นเราเป็นนักนบวชเราต้องคิดเช่นนั้น เป็นผู้ท้าดวกทําายเรื่องทิฏฐิมานะไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นค่าสึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเมืองใดแม้แต่สัจจีฐานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีข้อตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วย ขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังจะว่าขวางมันไม่สะดวกสมายทั้งนั้นแหละไม้เ้าแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นสูงกลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของพิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นับนเข้าไป เทียบเทียงกับหลักธรรมะว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วความรู้ของเราก็เป็นธรรมะถ้าว่ามันขัดแย้งกับธรรมะความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่จอมปลอมต้องพยายามแก้ไขเพราะว่าความรู้ของเรายังไม่มีแบบฉบับเป็นเครื่องรับรองแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นส่วนขาตธรรมตรัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่รับรองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้ จากพระทำอันชอบนี้นับกี่พระองค์ไม่ได้และบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็นับไม่ท้วนล้วนแล้วตั้งแต่ได้ตรัสรู้จากธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นเราผู้เป็นผู้สังสมทิฏฐิมานะสังสมที่เด็ดตัญหาสัางสมความเห็นแก่ตัวได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกทั้งหลายหรือไม่ถ้าเราได้ตรัสรู้ด้วยทิฏฐิมานะของเราก็ควรจะนําทิฏฐิมานะนี้ไปสอนโลกให้เขาจเจริญทิฏฐิมานะ ด้วยทิฏฐิมานะนีิเขาจะเจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทวนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะเละเบาะแวงกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้ทีหน้าที่หายฝนตีหรือคอยเป็นตลอดมากบเนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตวจะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูซิ พุทธิมรณะให้ผลประโยชน์อันดีอย่างไรบ้างหรือไม่เราผู้เป็นนักบวชเป็นนักธรรมะเหตุใดจะมีความจําเป็นซึ่งจะต้องสั่งสมพิทธิมรณะให้เป็นเครื่องกัดหัวใจเราออกจากกัดหัวใจตนเองแล้วก็กัดมือกัดเพื่อนกัดครูกัดอาจารย์กัดไปหมดเรื่องพุทธิมรณะเป็นเช่นนั้นไม่มีทางดีแม้จะอยู่ในสัตว์เรามองดูแล้วไม่น่าดูมองกันหินเที่ยวหินฟันคอยจะกัดกันไหนมาเกิดอยู่กับนักบวชแล้วจะเป็นที่น่าดูที่ไหน เพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นใจอัตใจธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมรณะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องดําเนินพระจึงเป็นที่กราบไาวไม่ว่าเป็นแม่ทีแม่ขาวเขาก็กราบไหวได้เพราะความถือธรรมะเป็นหลักเป็นหลักที่เสียดีแล้วนี่คิดอย่างนั้นแต่การกราบทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายมัน สังสมทิฏฐิมานะเนื่องจากการสั่งสอนจะต้องสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะเราต่างคนก็ต่างไม่รู้ด้วยกันนับแต่ผู้แสดงก็ไม่รับรองจนว่ามีความรู้ความถลัดสามารถแค่ไหนเราก็ต่างคนก็ต่างนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งท่านทั้งผู้แสดงด้วยเพื่อจะต่างองค์ต่างท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่จิตขวางตนเองแนละจิตขวางโลกที่ให้นมามทิฏฐิมานะนี่หมดไปเป็นลําดับลําดับ จะมีจํานวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขคั่เรือนที่อยู่ด้วยกันไม่มีทิฐิมรณนะขัดแย้งกันคัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฐิมรณนะขัดแย้งอวดดีอวดฉล า, าดอวดเวด็นอวดหยิงต่อกันแล้วสังคมในบ้านเมือง น, นั้นก็ร่มเย็นประเทศชาติ ถ้าต่างคนต่างรองดองกันด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมรณนะกวดรู้อวดชนกอดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พินาศทิบหายจะกลายเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองโลบเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่และประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงจัตัวของเราโดยเฉพาะ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับนับตลอดถึงสัตว์ถ้ามีทิฐิมนะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันสัตจะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฐิมนะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุจรธรรมโลกให้พินาศิิหายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฐิมนะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกําลังไฟม า, ารยกันมีที่ไหนก็คือไฟมาราการตัวทิฐิมนะนี้เท่านั้นจะทําโลกให้พิพน่าศิิหายไม่ว่าท่านว่าเรา ถ้าใช้สังสมพิธิมรณะนะไว่มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตําหนเรื่องทิฏฐิมรณะนะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมรณะนะซึ่งเป็นตัวสกรปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักที่ในความเห็นแก่ท่านแก่เรา เห็นจะอาจจะทำเป็นหลักสาคัญหากไม่เห็นจะอาจจะทำจะไม่เห็นจกใครทางนั้นโลกจะกลายเป็นหมูเป็นหมาจะกลายเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวนี่ถ้าว่าเราก็เทียบเขาเขาก็เทียบเราเราก็เทียบท่านท่านก็เทียบเรามีหัวใจเหมือนกันมีความรักในคิดเหมือนกันมีความรักในสมบัติเหมือนกันแล้วคนเราจะมองเห็นกันด้วยความสนิทสนมด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน ทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกตาสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นค่าสุขแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่กลัดไว้นี้จะให้ความสุขแก่โลกหากว่าโลกได้นําไปประพฤติปฏิบัติตามกําลังความสามารถของตนแค่ไหน ความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้นมีเดชารถเนื่องคิดถิมมานะส่วนยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียนเป็นสิ่งสำคัญให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียน ของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายินขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กำลังกระฟัดกระเพื่อกำลังสแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจำนนได้จากธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับ ถ่าธรรมะบังคับเราไม่ได้บังคับ